ความเอย๋ยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มี ความดีเหลือคือตายเน่าตายนอนเป็นบ่อนเบือ่อหน้าเหม็นเบือ่อตายเช่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ลายให้โลกเห็นก็เหมือนเป็นอยู่คู่ล่าอย่าสงสัยตายแต่เปลือก เยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์แก่ใครๆไม่สิ้นเอ่ยท่านพุทธทาสพิคุอยากจะขอถือโอกาสพูดคุยแบ่งปันในเรื่องที่เกี่ยวกับ ความตายสักหน่อยนะคะอาจาย์คะ่ะด้วยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีแต่เรื่องความตายแล้วก็เรื่องการพลัดพรากจากกันไปสองวันที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พวกเราชาวชมรมเพื่อนคุณธรรมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพเพื่อนของเราสองคนที่จากไป ท่านแรกก็คือนายแพทย์สงวนนิตยารำพงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนุชนารัตน์ปราณีตั้งสบสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดเดียวกันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากอะคะ่ะที่เราได้ข่าวจากญาติของเพื่อนของเราที่จากไปในวันเดียวกันเป็นวัดเดียวกันอีกด้วยนะคะคก็เป็นเรื่องดีสําหรับพวกเรามากคือ ไปทีเดียวเนี่ยก็ได้ทำงานสองงานพร้อมกันเลยแต่สิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนของเราเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนที่จากไปสองท่านนี้นะคะก็คือว่าสองท่านเนี่ยจากไปด้วยวัยที่น่าเสียดายมากอย่างในแพทย์สงวนเนี่ยอายุแค่เพียงห้าสิบสี่กำลังทำอะไรต่ออะไรได้ประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวส่วนคุณนุชนาเพื่อนของเราก็ อายุยิ่งน้อยกว่าค่ะแค่เพียง42เท่านั้นเองหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นวัยที่ยังไม่ควรเก่การจากไปเท่าไหร่ก็อยากจะถือโอกาสเปิดประเด็นตรงนี้เพื่อความไม่ประมาทในวัยของชีวิตนะคะว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยใช่ว่าจะเนื่อนนานดังที่ เราคาดหวังไว้เสมอไปไหมตรงนี้อาจารย์มีความเห็นเป็นประการใดคะครับชีวิตและความตายเนี่ยเป็นของคู่กันจะเรียกว่ามันอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะว่าุกคกั้งที่พอชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความตายหรอกขณ <c oughs> ะ, ะเดียกันเนความตายก็ซ่อนอยู่ในความหมดชีวิตตรงนั้นแหละถือว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้าไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะไม่มีความตายก็ไม่ใช่อยู่รอบๆตัวเรานะ อยู่ในตัวเรานั่นแหละค่ะว่าเราเดินไปไหนจะทำอะไรนั่นแหละคือชีวิตแล้วก็ความตายที่ว่าเรามักจะคิดว่ า, เ, าเนี่ยเรายังอายุน้อยอยู่เราต้องตายอายุประมาณร้อยปีก็ตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่าร้อยปีเราถึงจะตายแต่ตอนนี้ยังไม่ตายหรอกเราลืมไปว่าขณะที่เราหายใจเข้าในช่วงที่หยุด ยังไม่มีการหายใจออกช่วงหยุดจังหวะนั้นนะ่ะเหมือนเราไม่มีชีวิตอยู่ละตรงกันนะค่ะอันนี้แค่ลมหายใจนะแล้วไหนเรื่องจิตใจเราละ่ะจิตใจเราเนี่ถ้าเราขาดสติช่วงแว บ, บเดียวเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเมื่อขาดสติเราก็มีความรู้ตัวว่ามันมีตัวเราอยู่เมื่อมีสติมันก็มีตัวเราขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับเรามีชีวิตขึ้นมาเป็นขณะขณะเรามักจะมองว่านู่นแหละ อายุ8ป 90, 1บ0หนึ่งนั่นแหละมนถึงคราวที่ต้องตายแต่เราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกคนรอบตัวเราเนี่ยตายมันก็ทั้งยังอยู่ในท้องก็มียังไม่ทันได้เกิดมาเลยเมื่อเกิดมาแล้วแค่หนึ่งเดือนบางทีก็ตายตายในวัยทารกในวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวาัยชรามันมีโอกาสที่จะตายได้ทุกวันล ทุกวัยเลยด้วยซ้ำไปมันจึงเป็นอุตาหรอนสอนใจแล้วว่าเราไม่ควรประมาทที่สาลาวัดสิบเอ็ดสาลาเต็มทุกสาลาเลยต้องเผาวัลสาศพแล้วผู้ที่ตายเนี่ยมีทุกวัยเพราะนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทแม้ว่าเรายังมีอายุน้อยอยู่เรายังมีความสุขอยู่ เรายัางไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรายัางไม่ตายเรายัางจะต้องใช้ชีวิตได้อีกนานอันนี้มันเป็นความประมาทเมื่อมีความประมาทแล้วเราก็จะไม่ระลึกถึงตัวเองไม่ลึกถึงความตายมัวแต่ไปมุ่งทำใน ส, สิ่งภายนอกลืมจัดการกับสิ่งภายในตัวเราในกายในใจหรือหน้าที่การงานของเราเนี่ยอันนี้ทั้วเป็นความประมาทในชีวิตใ้ดีแล้วก็ถ้าเราศึกษา ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องความตายได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติหันมาดูตัวเราเองมากๆเราจะรู้ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะตายได้เสมอเสมอทุกขณะทุกเวลานาทีก็ได้ไปเห็นคนที่ตายไปอายุน้อยกว่าคนที่ไปเผาไปสวดศพอายุมากกว่า บางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเผาศพลูกอย่างเงี้ยดูลล้าน่ะก็ยังมีคนบอกว่าอ่ะคนหัวงอกไปเผาศพคนหัวดับก็ดูละเออเนี่ยมันเป็นคติสอนใจนะคะบางคนยังบอกว่าหลวงพ่อปัญญานันทะท่านใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทท่านมีอายุถึงก็ตั้งเก้าสิบกว่างานท่านก็ทํามากแต่ก็อายุยืนยาวว่าท่านไม่ประมาท อยู่ในสีในธรรมอยู่เสมอเสมอแต่ผู้ที่เราไปงานเนี่ยคนแรกอายุห้าิบสี่หมอสงวนคุณนุชนาอายุสี่สิบสองรวมกันยังไม่เท่าหลวง่ปัญญาเลยรู้สึกจะเท่าพอดีค่ะอายุเท่ากันพอดีนะ้สบสี่บวกสี่สิบสองนี่ค่ะได้เก้าสบหกพอดีเลยค่ะสองคนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงนะสิบเอดศาลาเนี่ยเต็มหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของ ชีวิตแล้วก็ความตายค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนของเราเอาไว้นะคะว่าอย่าได้ประมาทในเรื่องของวัยแล้วก็วันเวลาของชีวิตหากมีอะไรที่อยากจะทำในทางที่ดีที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็รีบรี บ, รบทำเอะคะ่ะจะได้ไม่เสดายทีหลังนะคะเพราะว่าเวลาของชีวิตเนี่ยเราคงไม่รู้ได้ว่าวันสุดท้ายนาทีสุดท้ายของเรา เนี่ยจะเป็นเมื่อไรอยากจะน้อมเอาความตายการพรากจากไปของเพื่อนของเราที่จากไปในวัยที่ร้ายต่อหลายคนยังเสียดายมากๆเนี่ยนะคะให้เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิจใจสั้งนิดหนึ่งว่าเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากมายนักที่จะใช้เวลาอยู่บนโลกใบนี้อะไรที่อยากทํารีบรีบทําะคะโดยเฉพาะเรื่องดีๆ คนเราส่วนมากก็จังประมาทเพราะว่ากลัวอยู่ยังกลัวความตายกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากพูดถึงไม่อยากนึกถึงและไม่อยากไปเห็นด้วยเนี่ยละคะหลายนคนยังเป็นตรงนี้อยู่มันจะกลายเป็นการตัดโอกาสของตัวเองไปเลยเรากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยและเราไม่เจ็บป่วยเลยเรากลัวความตายและเราไม่ตายเลยทําไมเราจึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเราพยายามไม่ไปเยี่ยมไม่ไปหาไม่ไปพูดถึกเนี่ยเราเองจะเสียประโยชน์ถ้าว่าเรากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเราลองไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆสิคมันจะเกิดความเคยชินและจะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เรากลัวความตายแล้วก็เข้าไปใกล้ความตายบ่อยๆไม่ถึงว่าไปสวดศพไปทําบุญไปเผา มันได้เผชิญหน้ากับความตายซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นอนื่นเราจะเกิดความเคยชินเราจะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีความตายไปไหนเรากลัวความตายความกลัวอยู่ที่จิตใจเราเราทําไมไม่กลา้าเผชิญหน้าแล้วก็ศึกษาให้รู้ความจริงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันคืออะไรความตายมันคืออะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วใครเราที่ป่วยใครเราที่ตายเราจะเข้าใจแล้วตอนนี้ เราจะไม่กลัวความเจ็บป่วยเราจะไม่กลัวความตายเลยมันจะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้แบบด้วยความมั่นใจม่เหมือนกับที่ท่านบอท่านพูดว่าศบตากับความตายนะมันเหมือนอย่างกับเราไปดูเสืออยู่ในกรงเนี่ยเสือถูกขังในกรงเรากลัวเราไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อเราดูเสือนานๆมองเสือนานๆเราก็กล้าที่จะเข้าไปใกล้กรงเห็นไหมมันเกิดความเคยชิน เพราะว่าเราจะเข้าใจในส่วนนั้นเพราะนั้นในวัยขนาดนี้ปัจจุบันนี้เราต้องมีการเตรียมตัวที่แต่นเนิ น, เ, น, นเตรียมตัวไม่ถึงว่าไม่ประมาทตอนนี้เรายังมีความพร้อมอยู่เรายังมีทุกไม่มากสุขภาพก็ยังพอใช้ได้อายุยังไม่มากยังไม่ตายด้หละเราควรจะเตรียมตัวที่แต่นเนินละความช่วยทั้งหลายละละเลิกอบา ย, ยมุกเนี่ยบุรีสุลา การพ น, นันการเที่ยวเตะการใช้ชีวิตที่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเนี่ยละสิ่งนี้ไปซะหันมาทําความดีทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมทําประโยชน์ให้กับสังคมทําประโยชน์กับผู้อื่นบ้างถ้าเราทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้หรือผู้อื่นได้เนี่ยเราจะมีคุณค่าในชีวิตมีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมันจะมีความสุขฝึกที่จะเป็นผู้ให้สับ้างาเป็นผู้ให้ และใจเราจะมีความสุขให้ทานให้โอกาสคนอื่นหรือฝึกเป็นคนที่มีศีลศีลห้าเป็นนิสซึ่งหัวเนี้ยมันช่วยเป็นฐานจิตฐานใจเราเนี่ยให้เกิดสมาธิเกิดสติได้ง่ายพอสุดท้ายเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนียทิ้งไม่ได้เลยสิ่งเนี้ยเป็นที่พึ่งในยามที่เราใช้ชีวิตถ้ามีสติอยู่การใช้ชีวิตก็จะไม่ค่อยผิดพลาด แม้จะพลาดสติก็จะเตือนพลาดแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีการทํางานอย่างมีสติมันก็เพลิดเพลินสุขสันตน์อยู่กับปัจจุบันต่อการมีสติมันก็ไม่เหงาใ ช, ใช้ชีวิตไม่เหงาจนตั้งเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าคนที่เวลาร่างกายป่วยไข้แล้วใจเป็นทุกข์เนี่ยเพราะขาดสติคอยรักษาจิตใจให้เป็นปกติ จิตใจเลยเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าไอเนี่ยความป่วยไข่เนี่ยเป็นรเราโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากทางกายมันเป็นเราเพราะขาดสติคอยรู้สึกตัวเอาไว้โครคภัยไข้เจ็บของกายจึงดูดติดดูดใจเข้าไปหมดเลยถ้ามีสติเนี่ยมันจะเป็นแค่ผู้รู้นะผู้เห็นในความป่วยไขย่ไม่ได้เข้าไปเป็นจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยสติเนี่ยจะช่วย จิตช่วยใจเราเนี่ยไม่ให้เป็นทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วก็ไม่จิตใจเราเนี่ยวุ่นวายไปกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสติเมื่อมีในล a s สุดท้ายเนี่ยในช่วงแค่5นาที1ินาทีทำให้เกิดปัญญาค่ะมันจะเริ่มมีการปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางเนี่ยเพราะนั้นเสียงนี้จึงไม่ควรประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็ลองฝึกเนี่ยฝึกปล่อยวางดูบ้าง ฝึกปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางครอบครัวปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางเรื่องสิ่งที่มันค้างคาใจเรามีเรื่องอะไรกับใครไม่พอใจใครไม่ถูกใจใครลองฝึกปล่อยวางดูฝึกปล่อยไว้ก่อนอย่าไปปล่อยตอนที่กายตายมันดีมันไม่ค่อยมีกําลังปล่อยไม่ไหวเนี่ยตรงนั้งปล่อยความยึดมั่นถือมั่นที่ว่ากายใจเนี่ยเป็นตัวเราของเราลองแก้งแกล้งลองฝึกฝึกดู เราฝึกดูแต่เราก็ไม่ได้ไปทิ้งนะนะเราก็ยังมีหน้าที่ต้องทําตามหน้าที่ก่อนทําหน้าที่ข้างนอกให้ดีที่สุดแต่ฝึกใจเราให้รู้จักปล่อยวางคพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาอะไราไปไม่ได้เลยนอกจากบุญกุศลที่เป็นคุณงามความดีมันก็จะติดตัวเราไปอันนี้เป็นด้านนามมาทำแต่ถ้าจิตที่หลุดพ้นแล้วเห็นแจ้งแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งบุญกุศล ก็ไม่เอาไปนะปล่อยวางเลยไม่มีใครตายไม่มีใครป่วยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายมีแต่ความตายที่ไม่มีคนตาย <c oughs> ที่จริงแล้วในการไปงานศพแต่ละครั้งเนี่ยนะคะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือคนที่ไปในงานนะคะ ค, คนตายเนี่ยเขาก็แค่ทำหน้าที่ตายหลังจากที่ทำหน้าที่ป่วยมาจนหมดเวล า, าแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ ย, ยคือคนไปในงานจริงๆคะ่ะปริณธรรมเนี่ย เขาจัดงานศพเพื่ออะไรประเพณีทำเนียมไทยเราเขาจัดงานศพก็เพื่อให้คนเป็นเนี่ย <c oughs> รู้จักเข้าใจคนตายเนี่ยไม่ยากหล่ะเผาไปได้เดียวก็เหลือแต่กองกระดูกอะไ้เดียนิด เ, เดียวโบราณเขาทําเอาไว้เพื่อให้คนที่อยู่เนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อเวลามีความตายหรือมีความพลดัดพลากเกิดขึ้นกับเรามีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักที่ว่าทําความเข้าใจในส่วนนี้ ไปงานศพทั้งทีเพิ่มชีวิตให้มีสติปัญญาซะบ้างค่ะเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ก็รู้สึกว่าไปงานศพสองงานที่กล่าวมาแล้วเนี่ยได้ความรู้เพิ่มพูนขึ้นชัดเจนกว่าการไปงานศพที่วัดอื่นนะคะเพราะว่าวัดชนรับประทานเนี่ยก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะเน้นให้ประโยชน์ของผู้ที่มาร่วมงานในด้านของการใช้ชีวิตค่อนข้างจะมาก แล้วก็เน้นการแสดงความหมายของการแสดงธรรมในงานศพค่อนข้างชัดเจนเรียกได้ว่าผู้ที่ไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมเนี่ยไม่ต้องฟังสวดนานแต่ได้ฟังบรรยายธรรมหรือได้ฟังเทศที่เป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตที่ดีเป็นประโยชน์กว่าการไปร่วมฟังสวดศพที่วัดอื่นๆมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะไม่มีเหรสุราไม่มีเลี้ยงอาหารไม่มีจัดงานหรศพ สวดจบเดียวแล้วก็ปิดศาลาไม่ต้องเป้าศพค่ะดีมากๆเลยนะคะการนอกจากเราจะพูดคุยกันเรื่องของเพื่อนของเราที่จากไปแล้วเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกนะคะเพื่อนของเราทั้งสองรายเนี่ยจากไปด้วยโรคเดียวกันนะคะอาจารย์ครับมะเร็งแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันอีกอย่างก็คือว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีจิตบนกุศลก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไปสนใจธรรมะ ไม่ว่าจะเข้าถึงเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าจิตน้อมมาทางกุศลมีัทาทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ในวันสุดท้ายในนาทีสุดท้ายเนี่ยยังมีพระธรรมนำทางอยู่ในจิตใจ